ทรงพระเจ้เพคะมากกันแล้วเลยคุณท้าวโสภาเพคะนางกำลังวิเชยียเพคะมหาดเล็กนำพระกระแสรับสั่งไปแจ้งว่าทรงโปรดให้หม่อมชั้นกับวิชียรมาเข้าเฝ้าเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการเพคะดีแล้วที่เจ้าทั้งสองรับคำสั่งจะข้าเอาละเนื่องจากคุณท้าวโสภารับราชการเป็นนางข้าหลวงมานาน จนวัยล่วงเลยถึงเจสกว่าปีสมควรจะถึงเวลากลเกษเียนกลับไป พ, พักผ่อนที่เรือนของขตนสถกทีโออ๋อแต่หม่อมฉันยังร่างกายแข็งแรงแล้วยินดีถวายงานในพระอังครมเหสีต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพคะแต่ข้าไม่ต้อาการิให้ศิทธร า, า, ามลุ่ของเขามองเห็นเจ้าที่ชราหรือมาตายในพระราชวังนี้ <c oughs> ม่อมฉันหม่อมฉันเพิ่อยู่25ปียังไม่ช่ราภิคะเจ้ายังสาอยู่ก็จริงวิชาแต่ว่าก็คีโรคเจ็บปวยกระสอบกระแสจนเป็นที่น้าเวทนาข้าลูกข้าเห็นก็อาจไม่สบายตาไม่สบายใจจึงขอปลดเจ้าออกประจำที่นี่เชกสอบแม่น้ำม่อันด้วยเพคะ่น ตาทสองเก็บข้าวของออกไปนีรับตาพระเจ้าค่ะน่าสงสารคุณท้าวสอพากับวิชยานะเพค ะ, สะเสด็จพี่ คุณเท้าแก่แล้วไม่มีลูกและสามีคงจะพึ่งใครไม่ได้ส่วนวิชยาก็ถวายตัวอยู่ในวงังตั้งแต่ยาวไวเวลานี้ก็เจ็บไข้มีโรคประจำกายอาจไม่มีใครปาถนาเราต้องเห็นแก่เรื่องที่สำคัญกว่านะนงหญิงประชาพอดีพี่ไม่ต้องการให้สิท ธ, ธิ์ัตเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายภายในวังนี้นางหญิงก็ยังมีางนากำนันอารตี ที่รอบรู้การงานและก็มีนางกำนัลอื่นๆอีกมากมายสเสด็จพี่ตรัสเช่นนี้หม่อมฉันคงไม่อาจขัดพระราชประสงค์ได้แต่อาจจะต้องตอบคำถามสิท ธ, ธัตถะว่าสองนางหายไปไหนลูกคงไม่มีเวลาสนใจกับเรื่องเล็กน้อยด้านหน้าน้องหญิงเพราะกำลังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกับโยทีวิศวงิและเมื่อานามาศส่งบมคือการุทายีเข้มาอยู่ด้วย ก็คงจะช่วยกันสร้างความเพลิดเพลินเจริญใจจนศิทธษฐาเลิกสนใจเรื่องื่นก็เป็นได้นะแล้วการุธายีจะเข้ามาถวายตัวเมื่อไร่ล่ะเพคะเสด็จี จบเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วลึะ ก, กาลุทายีเสร็จแล้วขอรับท่านพ่อลูกคงต้องขอลาท่านแม่เดี๋ยวนี้เจริญสุขเถิดลูกกาลุทายีแม่ขออวยพรให้เจ้าไปดีมีชัยเป็นที่ต้องพระไทยและโปรดปรานของเจ้าชายศิท ธ, ธิ์ถะและเจริญก้าวหน้าในราชกิจราชการเมื่อเติบใหญ่ลูกขอกราบรับพรของท่านแม่ไว้เหนือหัวขอรับ ช่วยดูแลลูกให้ดีด้วยนะเจ้าคะท่านพี่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้หรอกน้องหญิงขอให้เจ้ากาลุทายีทำในสิ่งที่พ่อสอนสัง่งและทำได้ดังพระราชประสงค์ขององค์เหนือหัวสุดโทธนาเจ้าก็จะได้เป็นอมมาเช่นพ่อในภายหน้าลูกจำขึ้นใจองค์เหนือหัวทรงมีพระประสงค์ให้ลูกเสาะหากุมารีที่รูปร่างหน้าตาดีรู้จักประจบเอาใจมีจริตมัรญา มีความสามารถขับร้องและร่ายรำจนทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงโปรดปรานได้และทรงไม่มีเวลาว่างหรือสมาธิจนคิดค้นหาหลักธรรมอันใดอื <c oughs> ดีมากกาลุทายีนี่คือภารกิจและหน้าที่ของเจ้าจงจำไว้ ชนะมัวแต่นั่งหลับสบงบอยู่ได้พระอาจารย์วิสวาหมิตรกำลังสอนอยู่ไม่เห็นหรือไงแต่หมอนชั้นง่วง ง, งุนงงจนทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าค่ะขอสักเงีบก่อนดีกว่าข้าพระเจ้าขออภัยแทนชนะด้วยพระอาจารย์ไม่เป็นไรรคอพระเจ้าคะ่ะพระกุมารผู้เกียิคร้านย่อมไม่อาจได้รับวิชาต่างจากพระกุมารผู้ทรงปริชา จนอาจารย์หมดสิ้นภูมิความรู้ที่มีอยู่แล้วพระเจ้าค่ะถวายบังคมพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อถวายพระพรมหาบอพิษเป็นอย่างไรบ้างละ่ะครูกับศิษย์กำลังจรีนวิชาอะไรขอดิชาอาตมาไวอาจสอนต่อได้ เพราะพักกุมารทรงรู้แจ้งในวิชาที่สอนและมิได้สอนจนหมดสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะอืมหรือว่าจะต้องหาพระอาจารย์คนใหม่จะเป็นอาจารย์หรือผู้รู้คนไหนๆมันก็ไม่ต่างสำหรับพักกุมารแล้วพระเจ้าค่ะอาตามาขอทูลา ไปิะแล้วทานโยกคยีแต่ก็ดีเหมือนกันนะที่ลูกจะได้พักผ่ออย่อนใจบ้างออกไปหลังตลากซิสิทธะการุธายีพากุมารีมาเตรียมการและเล่นกับลูกร้อยนางเลยพระเจ้าค่ะช น, นะั น, นะชาวมณฑนาะไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็คงจะตกใจวิ่งจนหน้าตาออกตามหาลูกเองแล้วนะ รู้สึกพวกเจ้าทั้งหลายจะสดชื่นกันใหญ่เหมือนดังปลากระดีได้น้ำใหม่ช่ไหมก็มันดีใจนี่นาพิกาลุทายผู้ข้าโชคดีก ว, ว่าเด็กอีกมากมายหลายคนในกุมภบิลพัทนี้เช่ที่มีโ อ, อกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายถาม ง, งั้นก็อย่าให้โชคครั้งนี้สูญเปล่าละ่ะช่วยกันคิดหาอะไรมาเล่นถวายให้ทรงพื้นพระไทยเถิดข้าจะขับลำนําถวายดีไห ม, มดีตัวเองอะเสียงดีนล้วัง บำดำฟ้อนถวายจะน่สนใจมากกว่านะนั่นเจ้าชายกำลังเสด็จเข้ามาแล้วเห็นไหมถวายบังคมพระเจ้าค่ะถวายบังคมเพคะทุกคนตามสบายขอบพระทัยเค่ะการุทายีไปพากุมารีจากที่ไหนมากันมากมายอย่างนี้ ขอเดชะนี่เป็นกุมารีที่เป็นทั้งสหายของหม่อมชั้นและเป็นวงศาาิของบรรดานางกำนันที่ขอติดตามมาเพื่อจะขอชมบุญญาบารมีของพระองค์และใครขอประทานอนุญาตเต้นระบำรำฟ้อนถวายพระเจ้าค่ะเราอนุญาตพวกเจ้าใครจะทำอะไรก็ตามสบายนะ เรากุมารีทั้งหลายพากันเต้นระบำรำฟ้อนกันใหญ่บางคนด้วยวัยเพียงแค่นี้ต่อเริ่มจะมีจริตมารยาเกินความเป็นกูมารีฉม้อยฉมา้ชายตายั่วยิ้มให้เจ้าชายแต่พระกูมาสิทธัตถะของเราจะสนพระไทยก็หาไม่กลับทอดพระเนตรมือมองทะลุผ่านไปเหมือนมองามอากาศสัตาช น, นิดขอเดชะ หม่อมฉันจะว่าอะไรเราไหมการุธายีถ้าเราจะขอเปลี่ยกายไปจากที่นี่ก่อนหม่อมฉันไม่บังอาจตำหนิพระองค์ได้เพียงแต่นึกอยากรู้ว่าเพราะเหตุใดเพราะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเราขอไปก่อนละเอา้าเสด็จไปไหนแล้วล่ะแนนสิสไม่ต้องปร่อยที่พวกเราเต้นรำรง่ายๆทุกคนเต้นราต่อไป ถ้าช น, นะดูเองก็ได้เลียงอะไรน๊ะเจ้าไปเต้นกับมาบ้าเจ้าจะเจ้าคนเลี้ยงมา้า <c oughs> มาทำเป็นว่าถึงจะเลี้ยงหม้าผมมาท อ, องนะจ๊ะจะบอกให้ สมาีิอยู่ใต้ต้นว่าใยา่นองเอ๊ะทำไมทำไมริวคลายสิท ธ, ธาจึงได้เปลี่ยนมีเรื่องรองบุบพองเมือกับได้บรรนาชาตินี้และนี่เป็นเพลาบายานาของหมูมายอมเดเคลื่อนคอาย ไ, ไปตามแสงโรีรตแต่านาคของว่าต้นนี้กลับไม่ไปไหนเลยคงอยู่บางร่ว่าสิท ธ, ธาลุชานเราเป็นที่มนาสัใจยิ่งนับ เสด็จพ่อทรงประนมหัตถ์ขึ้นไหวลูกด้วยเหตุอันใดพระเจ้าค่ะอปอพ่อลืมตัวไปนะเป็นครั้งที่สองแล้วที่พ่อว่าเจ้าเพราะเผลอคิดไปว่าเป็นท้ามหาพรหมเสด็จมาลูกเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเสด็จพ่อเพียงแต่รู้จักพิจารณาทานอันมีองค์ห้าจนบรรลุปัตมะฌานแล้วเท่านั้นพระเจ้าค่ะเออเอออย่าพุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่านะวันพรุ่งมีพิธีแรกนาขวัญเขาจะพาลูกไปดูการทํานาด้วยกัน และลูกก็จะได้เห็นที่นาสำหรับปลูกข้าวอันเป็นมหาสมบัติอันมีค่าของเราลูกยังเด็กเล็กนักสเสด็จพี่จะให้สิทธทัตถะไปไถานาปลูกข้าวเช่นเดียวกับพวกชาวนาะหรือเพคะ ให้ลูกออกกําลังยุ่ดีกว่าปล่อยให้นั่งนิ่งๆเข้าชาญจะเกิดญาณอย่างรู้คิดว่าการออกบดเนี่ยเป็นโยคีหรือศีลหรือว่าสมณะเป็นทางเลือกที่ดีนะนบัญชาพดีแล้วบรรดากุมารีที่กาลุทายีพามาลาเพคะไม่เห็นจะได้ผลเลยแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉันน้ามันว่าถ้าลูกเราเจริญไวกว่านี้ก็อาจจะสนใจอืมพรุ่งนี้พาสิทธาถไปดูการทานากน ลค่่อยกกัับมมานนใหนะตามพระไทยเสด็จพี่เธอเพคะหม่อมฉันจะคอยรับฟังข่าวดีในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ทางที่เสด็จไปไม่มีคนเจ็บหรือคนชรามาอยู่ในสายตาของลูกเรานะเพคะ <c oughs> เรื่องนี้จงวางใจได้พี่ได้สั่งให้ธนามาต์กับบรรดาทหารจัดการให้เหลือเพียงชายหญิงในวัชการเท่านั้น อะไรกันทำไมวันกุ่งนี้ถึงได้ห้ามข่าออกไปรับจ้างดำนาทหารในเมืองเขามาสั่งให้คนแก่อยู่บ้านมไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านน่ะป้าโสภารเขาาจจะหวังดีไม่อยากให้คนแก่เหนื่อยก็ได้นี้ให้ขาอยู่บ้านแล้วจะมีใครจ่ายค่าจ้างหรือเปล่าล่ะฮะโอ๊ยค่าจ้างอะไรไม่ได้ทำงานแล้วเราจะค่าจ้างที่ไหนมาจ่ายให้ใช่ไม่ก่อนนั่นนะสิทากันอย่างนี้ นึกว่าคนแก่นะไม่ต้องกินไม่ต้องใช้หรื อ, อยังไงกันฮะคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะ จ, จะบอกไ้พว<จ>กเราก็เห็นใจป้าจ้ะแล้วก็อย่ากระทําในสิ่งที่ขัดคำสัง่งขัดรับสัง่งดีกว่านะจ้ะแบบว่าใ้าไม่อยากแหวงข้าวหาเซียว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะลังแก่คนแก่ไม่มีทางสู้ไปถึงไหนอาก็ได้ก็ได้ งั้นข้าจะถือโอกาสไปเยี่ยมไข่ไม่วิชยาก็ได้อ๋อที่ป้าเคยบอกว่านางเคยเป็นนางกำนันใช่ไหมก็ใช่อ่สิแต่มีอาการเจ็บไข้ก็เลยถูกไล่ออกมาพร้อมกับข้ามไม่รู้ว่าปานนี้เนี่ยจะดีร้ายประการใด เสียงใเข้ามานะอามมาลอมมาล า, า, ลาเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะจากกันไม่ทันไรเจ้ากระจําข้าไม่ได้แล้วเลิฟิชายาแต่ข้าสิยังจําเสียงไอของเจ้าได้ดี <c oughs> คุณเท้าโสภาข้าไม่ได้เป็นขุนท้องขุนเท้าเหมือนกับเจ้าที่ไม่ได้เป็นนางกํานันแล้วนั่นแหละ <c oughs> ไว้คุณท้าวโสภาเสศิอมารานางเป็นลูกของนางสาวค่าโชคดีที่ได้พบกันแม่ของนางจึงรับข้าไว้ดูแลรักษาข้าไว้เจ้าค่ะท่านยาย <c oughs> ข้าชลาจนเด็กอย่างเจ้าในเรียกว่าทันยายได้แล้วสินะเออ เจ้าเป็นกุมารีที่รูปรา่างหน้าตางดงามดีโตขึ้นก็คงจะยิ่งงามกว่านี้ <c oughs> อมารานะมีความสามารถในการไร้รำถ้าข้าไม่ป่วยไข้คงจะนำนางเข้าไปถวายตัวเป็นนางระบำที่วังในแต่นี่ <c oughs> <c oughs> เน เ, น เ, น เ, นเนจ้าน่บพูดให้น้อยลงหน่อยก็ได้จะได้ไอ้น้อยลงกว่านี้ แล้วนี่เจ้าได้ข่าวไหมวันพรุ่งนี้นะ่ะองเหนือหัวสุทโธธนะจ ะ, สะเสด็จพาพระกุมารสิทธะมาทอดพระเนตรการทำนาท่านยายคิดว่าจะมาชวนพี่วิชายยาไปเฝ้าหรือเจ้าคะโอ้หจะเป็นไปได้ยังไงกันละ่ะนังหนูอมารา <c oughs> เขาหามมาให้คนชราแล้วบอกคนเจ็บเช่นข่ากับพี่สาวเจ้าเนะี่เขาไปเสนอหน้า วาสนาปพวกเราก็คงมีแข่นี่ข้าเคยหวังว่าอเลยก่อนจะตายจะได้เฝ้าเพื่อชรบุญจะใช้สุกทีแต่คงได้แค่หวังเท่านั้น พวกเจ้าทํานากันต่อไปตามสบายนะเห็นไหมสินตะนี่คือบรรดาชาวนาที่ทำานาปลูกข้าวให้เรากินทุกวันนี้พวกเขาต้องทํางานกันเต็มที่เหมือนดังที่ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงนะพระเจ้าค่ะทุกคนต้องทนอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดจ้าแต่พอได้ข้าวหรือธัญญาหารมากลับเป็นของเราก็เพราะาเราเป็นนายจ้างของเจ้ากรรมกรเหล่านี้นะสิกรรมกรเกิดมามีหน้าที่ทำงานแทนนายจ้าง และในจ้ามีหน้าที่ใช้แรงงานกรรมกรเหตุใดพระอาจารย์จึงไม่สอนให้ลูกรู้จักขุดดินฝันหญ้าหรือไถนาอย่างนี้บ้างนะลูกจะได้รู้จักว่าความเหนื่อยยากหรือความลำบากคืออะไรเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการขุดดินขุดหญ้าหรือว่าฟันหญ้าหรอกเพราะว่าเจ้าอยู่ในวรรณะกษัตริย์กษัตริย์มีหน้าที่รบสู้กับข้าศึกจึงจะต้องศึกษาการต่อสู้บ่อยเรียนการประหารพรานชีวิตหรือพระเจ้าค่ะ ทำไมจึงไม่เรียนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจโลกนี้จะน่าอยู่กว่าการรบพรุ่งตลอดเวลาเป็นไหนไหน นบบันก็ิงไปกันใหญ่แล้วนะประชาบดีเรื่องสิทธิทัตตาลูกเราหรือเพคะเสะ ด, ด็จพี่ก็ใช่นีส่สิน้องหญิงพี่วิสาพาลูกไปดูการทำนาเพื่อว่าลูกจะมีความหงแหนในทรัพย์ ส, บสมบัติและเก็บรักษ า, าไว้แต่ว่าสิทธิ์ทัตตาคิดแต่เรื่องการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีมากกว่าเนี่ยน้องหญิงรู้ไม่ว่าบรรดาญาติวงศาทั้งหลายเนี่ยพอที่ยินเท่านั้น ถึงกับขำขันจนแอบยิ้มไปตามๆกันอ่าว่านี่พี่พี่ควรจะทำยังไงดีเนี่ยหม่อมฉันความรู้น้อยด้อยปัญญาไม่สามารถถวายคำแนะนำเสด็จพี่ได้เลยเพคะเออหรือว่าจะต้องใช้วิธีนี้เสด็จพี่ทรงคิดออกแล้วหรือเพคะ ม, มันอาจจะเป็นทางดีก็ได้นะสิทธาถาเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง ถ้าพี่ตั้งให้เป็นรัชทายาทว่าที่พระราชาปรครองกรุงกบิลพัทองค์ต่อไปหน้าที่และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่จะต้องทำให้สิทธิธรรมหันมาใส่ใจศึกษาศิลปะวิทย า, าตำราพิชัยสงครามและการสู้รบอันเป็นหน้าที่ของกษัตริย์พี่จะเร่งจัดการในเร็ววันนี้และแจ้งต่อสภาแห่งกรุงกบิลพัททัน